หากผู้ปฏิบัติธรรมต้องจำสาทยายแล้วกำหนดรู้ตามในที่กล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิมักก็จะขาดความบริบูรณ์ตามลำดับที่กล่าวไว้ในคำพีจุลนิเทศและพระอัตถกถาจารย์ก็ไม่น่าจะกล่าวแย้งกับคำพีจุลนิเทศดังนั้นข้อความในคำพีวิสุทธิมักจึงน่าจะกล่าวไว้เพื่อแสดงสภาวธรรมที่ประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นโลกศน์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 โดยเหตุที่ยานเหล่านั้นเป็นยานอย่างเดียวกันโดยสภาวะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านที่บรรลุมุนจิตตุกรรมยาตาญาณและปฏิสังขายญาณแล้วจึงสามารถบรรลุสังขารุเปกขาญาณได้ทันทีบางท่านผู้บรรลุสังขารุเปกขาญาณแล้วได้บรรลุอนุโลมญาณมรกยายณและผลยญาณอย่างรวดเร็ว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 1. เอกตนายความเกี่ยวเนื่องโดยความเป็นเหตุและผลในกระแสรูรปนามอย่างเดียวกันเช่นการกล่าวว่ามรณาสัญชาชนะจิตจุติจิตและปฏิสนธิจิตเป็นจิต ด, ดวงเดียวกันหรือการกล่าวถึงสังขารุปเปกขายานโดยหมายถึงยานทั้งสามที่เกิดต่อเนื่องกันคือสังขารุปเปกขายาน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 ที่รู้เห็นรูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เหมือนวิถีจิตที่เกิดซ้ากันก่อนนั้นโดยชวนาจิตดวงแรกชื่อว่าบริกรรมจิตปรุงแต่งให้เกิดอปนาชวนะคือมรกดวงที่สองชื่อว่าอุปจาระจิตอยู่ใกล้กับอัปนาชวนะคือมรกดวงที่สามชื่อว่าอนุโลม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 โดยมุ่งหมายว่าวาระของพวังย่อมมีต่อจากชวนจิตที่เป็นสังขารูเปกขายานอันเป็นวุตฐานคามินีนั้น 3. ามคำว่าตาเทวะเหมือนการรู้เห็นของสังขารูเปกขายานในวิถีจิตสองหรือสามวิถีก่อนนั้นหมายความว่าสังขารูเปกขายานในวิถีจิตสองหรือสามวิถีก่อนได้รับเอาสังขาร